ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปพระพุทธญาณในวันนี้ก็คงนำท่านผู้ฟังมารู้จักกับชมพูตวีปเป็นเป็นค้าวๆนะคือคือไม่ได้เจาะรายละเอียดต่อยากให้ศึกษาเรื่องชมพูตวีป ก, กับประชาชนก่อนที่จะพูดถึงการบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเหล่านี้มันก็จะมีการอ้างอ้างอิง หลักฐานในด้านต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของการปกครองบ้างการเมืองบ้างเศรษฐกิจบ้างการศึกษาบ้างาศาสนาบ้างอะไรแต่มันเยอะนะครับบอทประวัติศาสตร์แต่ทั้งหมดมันก็เป็นบทเรียนที่น่าศึกษาที่จริงพวกเหล่านี้ก็เรียนธรรมะได้ทุกทุกแควนอณาจักรเหล่านี้เราจะพบว่ามันจะมีการปกครองสองแนว แนวหนึ่งก็าเรียกว่าปกครองแบบราชาธิปไตยหรือสมบูรยาาสิทธิราชเนี่ยแต่ถ้ามองย้อนไปไกลเนี่ยแนวตรงนี้มันก็เกิดขึ้นตอนที่เป็นปฐมราชวงศ์เนี่ยมันเป็นแนวเขาเรียกว่าที่เราเรียกทีหลังนะฮะเอกชนนิกรสมุทร ส, ส ม, มุติเที่ยวเรียกพระเจ้าส ม, มุติราชเนี่ย มันเกิดขึ้นจากว่าสังคมที่อยู่ร่วมกันมันต้องมีหัวหน้าอยู่โดยไม่มีหัวหน้าไม่ได้แต่ว่าใครควรจะเป็นหัวหน้ามันก็มีวิธีการต่างๆแหละเพื่อคัดสรรเพื่อใช้การต่อสู้กันบ้างใช้พิสูจนความรู้ความสามารถกันบ้างอะไรต่างๆก็จะมีการคัดสรรกันโดยประการต่างๆแล้วก็ถึงจุดหนึ่งนี่คนผู้นั้นแหละก็ถูกได้รับสมมติขึ้น พลพระมหากษัตริย์นี่จึงเรียกว่าสมมติเทพมันเป็นถูกสมมติขึ้นมาเฉยๆก็สาริมันชนธรรมดานี่แหละแต่วพอสมมติขึ้นมาก็เรียกว่ากษัตริย์กษัตริย์นี้จริงมันชื่อเกษตรนะเพราะงั้นบาลีจึงเรียกว่าขัตติยะขัตติยะก็มาจากเขตเขตก็มาจากนานะก็แสดงว่าเป็นเจ้าของนาหรือเจ้าของแผ่นดินแล้วแต่ยุคสมัยแล้วแต่ ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยแต่สรุปว่ากษัตริย์เนี่ยจะต้องมีฐานะบางครั้งร่ำรวยแล้วก็มีรายได้จากด้านต่างๆเพราะต้องดูแลบริหารราชการแผ่นดินพวกเหล่านี้สมัยพุทธกาลมันก็ปกครองระดับที่เรียกว่าเป็นมหาราชหรือมหาราชาเนี่ยมันก็มีประมาณสี่องค์คือพระเจ้าพิมพิสารองคองังคากัมมคต นะมีเมืองหลวงชื่อว่าเออังคาเนี่ยมีเมืองหลวงชื่อว่าจำปาแล้วก็มคธเนี่ยมีเมืองหลวงชื่อว่าราชครืเราไม่ค่อยได้ยินชื่อจำปาอะไรแต่ว่าเราจะคุ้นๆกับกรุงราชครืเพราะว่าทูตเจ้าเริ่มปฏิสถานพระพุทธศาสนาในแควน้นมคตเนี่ยที่กรุงราชครืแล้วกาศีที่มีเมืองหลวงชื่อพารณาสี ก็เป็นที่มาของผ้าอย่างดีก็เรียกว่าผ้ากาสีเป็นเมืองแรกที่พระพุทธเจ้าเข้าไปเผยแผ่ศาสนาที่เมืองพาราณสีคือไปแผ่ไปนในเมืองหลวงนะถ้าทฤษฎีการเดินทัพเองก็เรียกวา่าป่าประสานเมืองนะฮะไม่ใช่ป่าล้อมเมืองคือไม่ใช่เมืองประสานป่าเมืองประสานป่าหมายความว่าไปตั้งศูนย์กลางอยู่ที่ในเมืองแล้วก็ประสานคนเข้ามา ก็เป็นการเผยแผ่พระคานาที่ที่เร็วมากแล้วแควรนโกศลเนี่ยมีพระราชาชื่อว่าก่อนนั้นก็เรียกมหาโกศลแต่เราเอาเฉพาะยุคพระพุทธเจ้าก็แล้วกันก็เรียกว่าพระเจ้าปเสนที่สามปกติจะเรียกวราพระเจ้าปเสนทิโกศลแต่พอพระเจ้าพิมิสารไม่ได้เรียกว่าราชครื่อนะฮะหรือไม่ใช่เรียกว่ามากุฎ แต่อาจจะบอกว่าพระราชาแห่งก็ได้คือไม่ได้เอาตัวเมืองตัวเมือ ง, ต, องตัวแฟน้นเข้ามาควบกับพระนามแล้วก็ในแคว้นอวันตีก็มีเมืองหลวงที่ชื่ออุชเชนีพระเจ้าจันทปัะโชดเป็นพระราชาปกครองแบบเนี่ยราชาธิปไตยหรือสมบูรญญณาสิทธิราชเนี่ย แล้วก็แคว้นวังสะซึ่งมีพระเจ้าอุเทนปกครองแต่ก่อนหน้า น, นั้นเนี่ยมันก็ชื่อพระเจ้าปราลัตปะก็เป็นตำนานแต่ว่ายุคพุทธกาลก็ยุคเป็นยุคสมัยพระเจ้าอุเทนก็เบืองเด่นๆมันก็มีอยู่สี่เมืองสี่แคว้นใหญ่นะฮะสแคว้นใหญ่แล้วก็แคว้นเขาบางบางแคว้นในสองแคว้นรวมกันก็อยญ่กว่าประเทศไทยสิ พระเจ้าเองก็ที่จริงก็เป็นชนเผ่าในเขาเรียกว่าในอารักขาดินแดนในอารักขาของแคว้นโกศลแต่ว่าระบบการปกครองไม่เหมือนกันการปกครองของพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกกบิลพัฒน์ก็ดีพวกสากยะพวกโกลิยะพวกวชีพวกมันละนะอะอย่างเงี้ยนะที่คุณคุณเนี่ยพวกนี้จะปกครองแบบแบบสามาคีทำรร แต่นี้โครงสร้างการปกครองที่จริงน่าศึกษานะครับว่ามันมนุษย์เนี่ยมันคล้ายๆกับมันผ่านยุคแล้วมันมันคล้ายๆกับวงกลมมันหมุนแต่อยู่ข้างบนแล้วไปคงอยู่ข้างล่างอะไรเนี่ยคือไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรใหม่ที่เราดูที่เย่อๆกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยประชาธิปตย์ตรงดีไตไม่มีอะไรใหม่สักอย่างเลยเดี๋ยวถ้าเรามาเทียบเคียงว่าประเทศไทยในปัจจุบันในหกสิบ ป, ปีมาเนี่ยตั้งแต่ ปศสองพันสร้อยเจ็ดสิบห้ามาจนถึงวันนี้ยถ้าถามว่าประชาธิปไตยเทียบเคียงกับยุคสมัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรดีกว่าอัตมาว่ายุคพระพุทธเจ้าดีกว่าก้าวหน้ากว่าเยอะเลยเพราะมันจะปกครองแบบสภาในที่พวกราชาธิปดีทั้งหลายนะฮะสี่แคว้นใหญ่เนี่ยมันก็ปกครองก็เรียกว่าขามนิคมชนบทราชธานีคือเรียงขึ้นมาเป็นสี่ระดับ ขามก็ถ้าเราเทียบในปัจจุบันบ้านเรานะฮะอาจจะเทียบกับอำเภอรหรืออาจจะเทียบกับตำบล น, นะฮะอาจจะเทียบกับตำบลคามนิคมก็อาจจะเทียบกับอำเภอชนบทก็อาจจะเทียบกับจังหวัดแต่ราชธา น, นีก็คือเมืองหลวงนะะแต่ว่าเราอย่าไปคิดเทียบอย่างนั้นนะเพราะว่าของเรามันเล็ ก, กเกินๆอัตมาว่าบางทีเนี่ยมันเพิ่งเจอนะฮะอย่างอย่างของเราที่ทําไปแล้วเนี่ย คือเราไปคิดแบบอเมริกาอเมริกาเนี่ยมันใหญ่มหาศาเนะี่ยมันเชียวกันได้ที่ไหนแล้วลักษณะโครงสร้างของการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราคิดแบบนี้กันมาก็เลยก็ยุ่งๆอย่างนี้มาตั้งแต่อบอตอมาต่อไปี่มีนายเต็มเมืองไปหมดฮนะมีแต่ชุดข้าราชการอยูนิฟอร์มเต็มไปหมดเลยตามการนงคนาเ น, น, นี่ยเกิดไปหมดเลยก็ตลบดีนกันนะ เป็นสภาคามนิคมชนบทราชธานีปกครองแบบสภาแล้วก็มีการบริหารมีกฎเกณฑ์มีระเบียบแบบแผนที่น่าศึกษาอันนี้ก็คือราชธานีเนะี่ยเราจะเห็นว่าก็ข้างล่างนี่มันมีลักษณะเป็นสภาเหมือนกันแต่ก็มีหัวหน้ามีประมุขลดลันกันขึ้นไปนะหัวหน้าก็ บางทีก็สืบเชื้อสายบางทีก็เป็นการคัดสรรกันคือเลือกกันของสมาชิกในที่ประชุมนั่นเองแล้วก็แนวที่เรียกว่าสามาัคคีธรรมเนี่ยถ้าเราเรียกในปัจจุบันก็คือคณะที่ปไตยมันก็ใช้หมู่คณะแต่ใช้ราชวงศ์นะฮะปุณิจจะใช้ราชวงศ์เช่นว่าในกรุงกบินละพัทก็เป็นพวกราชวงศ์ศักยะ ปกครองแต่ก็ย่อยเป็นคำนี่คุณชนบทราชธานีเหมือนกันพวกกริย ะ, ยะเขาพวกกริยวงศ์ครอบครองพวกเทวทหะเนี่ยพวกกริยวงศ์เขาก็ปกครองแล้วก็ว่าชีมันละก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ตำแหน่งใหญ่ๆมันก็เป็นราชวงศ์เป็นเทือสายราชวงศ์คือเราอาจจะมองนะฮะเราอาจจะมองว่าเออจากนั้นมันก็ผูกขาดด้วยราชวงศ์ ราชวงศ์มันละราชวงศ์บั ช, ชีราชวงศ์สักระยะราชวงศ์โกริยะแต่ถ้าเรามองเทียบเคียงนะฮะว่าราชวงศ์ถ้าเจอราชวงศ์ที่ดีๆเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตความรักชาติบ้านเมืองเนี่ยความรักแผ่นดินถิ่นเกิดเนี่ยมันจะมีสูงมากเพราะมีการสะสมมีการถ่ายทอดกันมาโดยสายเลือดแม้แต่เมืองไทยเองเนีะฮะ เราลองสังเกต ด, ดูว่าเจ้านายขนาดใหญ่เนะี่ยขนาดตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นมานะครับหม่อมเจ้าขึ้นไปขึ้นบนเนะี่ยมีไม่คนที่ขนทรัพย์สินเงินทองของแผ่นดินนี้ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเดีวไปสวยสุขอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่มีแต่ถามว่าประชาชนธรรมดามีไหมที่ขนเงินขุนทองออกประเทศแล้วไปรวยสบายอยู่ต่างประเทศเนี่ยยกไป นี่คือจุดต่างคือการหล่อหลอมการสร้างพื้นฐานเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าเจ้วงศักยะก็ดีกริยะก็ดีวัชิรก็ดีมันละก็ดีเราสังเกตนะเาะว่ามันกระจายกรอบขอบข่ายความรับผิดชอบออกไปแต่พวกนี้ที่สําคัญอย่างยิ่งคือเรื่องศักยธรรมนะฮะมันเปราะบางและก็เสร็จเลยเพราะอะไรเพราะว่า สํานวนไทยที่พูดนะต่างตัวต่างดีต่างมีวิราะวิชาต่างตัวต่างกล้าววิชาเทียมกันเยอะตั้งคนต่างใหญ่แล้วก็ลึกๆเนี่ยมันก็ต้องการจะเป็นผู้นําหมายความมาเป็นประธานสภาของกษัตริย์แล้วประธานสภาไม่ใช่ประธานสภาผู้แทนนะมันก็เป็นประธานจริงๆทีนี้เอ้คุณสมบัติเนี่ย นอกจากว่าจํากัดที่ที่ราชวงศ์ในแต่ละสายแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณธรรมที่เป็นหลักในการปฏิบัติของลูกคนเหล่านั้นเป็นอย่างไงแต่ถ้าเราดูสายทรงของพราหมณ์นะสายสายส่งที่เป็นความคิดระบบของพราหมณ์ดล้วนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเป็นใช้ระบบคุณธรรมเน้นในความซื่อสัตย์จริตความเสียสละความกล้าหาญความอดกลั้นอดทน แล้วก็ค่อนข้างสูงตอนนั้นเวลาพวกกษัตริย์ที่เคารพกันเองก็คือยุคเขาเรียกว่ายุคปุรานะมันก็มีเรื่องสองเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องอะไรล่ะพวกอารยันรบกับพวกมิลาขะก็กลายเป็นเรื่องราวมังเกียนแล้วก็พวกอารยันรบกับอารยานันราชวงศ์ปานนด ก, กับเกาลบที่จริงก็เป็น เป็นพี่กับน้องนะฮะพี่กับน้องไอ้พวกที่รบกันก็ลูกผู้พี่กับลูกผู้น้องรบกัน ก, กลายเป็นสงครามเขาเรียกหมาภาราตยุทธในสงครามทุ่งกุรุกเกษตรคือถ้าเราไปอ่านที่ตอนไอ้สีมัสปะกัวัตกีตานะ่ะซึ่งมากนะมันไม่ใช่ทุกประโยคหรอกแต่ว่าความคิดบางบางอย่างโลกทรรัศน์การมองโลกมองชีวิตมองภารกิจมองหน้าที่ มองความรับผิดชอบเนี่ยจะมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็จะออนไว้ในด้านสินธรรมเปลี่ยนแต่ว่ามันก็บางจุดก็เสียนะเช่นว่ า, าการฆ่ากันไม่บาปอย่างเงี้ยมันก็เสียมากแต่ถ้าเรามองภูมิหลังซึ่งจะพูดในเรื่องประเด็นของความคิดทางศาสนานะมันก็เป็นไปได้ที่คนจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าในปัจจุบันก็มีคนคิดอย่างนั้นเยอะไป ทีนี้ในด้านของอจะย้อนกลับมามองอีกนิดหนึ่งนะฮะคือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมืองพาราณสีไม่ใช่คือเมืองแฟรนโกศุนกับกบิลพัทกเทวทหะนี่เราจะเห็นว่าก็ดินแดนก็กล้กันแต่ที่ในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามันใกล้กันพระพุทธเจ้าเคยรับสั่งเล่ากับ พระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นเสด็จออกพนวดปรากฏในบัพระชาสุดคือพระเจ้าพิมพิสารเห็นเห็นพระโพธิสัตว์ท่านอยู่ในเพศของนักบวชมิงสง่า ง, งามมากเกิดสนพระไทยส่งคนติดตามไปดูว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็พอรู้ที่พักแล้วก็ท่านก็เสด็จไปพบให้ความสำคัญมากนะฮะ คือพระมหากษัตริย์มหาราชเนี่ยเสด็จไปพบนัก บ, บวชได้ร่อนองหนึ่งไม่รู้ใคร แ, แสดงมาให้เกียิมากปุกะเลกยิ่งใหญ่นะถ่าทางก็ปุกกะเลกก็ยิ่งใหญ่ตอนนั้นก็ไปชนพั ร, รษาแค่ยี่สบเก้าพระเจ้าพิมพิสารก็คงพระชนปรรษาก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่ว่าที่สำคัญ ย, ยิ่งคือว่าสถานะของท่านเป็นมหาราชแต่ว่า เจ้าชายที่ศรัทธาเรื่อพระโพธิสัตว์ของเราตอนนั้นก็ถือว่านักบวชได้รอนนะนะก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครจริงๆในขณะนั้นพระเจ้าพิมิสารยังไม่รู้ว่าท่านเป็นใครแต่ว่าต้องมีจุดประทับใจที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเสด็จไปโดยยานแล้วเดินไปด้วยพระบาทพอใกล้บริเวณเนี่ยไม่ให้เสียงยานผานะรบกวนต้องเดินไปด้วยพระบาทแล้วไปคุยกันด้วยความเคารพมีศรัทธามีเชื่อมัน่นมีพลังสูง ก็สอบถามคุยกันมาถึงประเด็นหนึ่งนี่ก็รับสั่งลาวราชาชนบ ท, ทรงข้ามภูเขาหิมาพานสมบูรณ์ด้วยความเพียรเครื่องหาทรัพย์เป็นเมืองขึ้นแห่งแคว้นโกรศนมีพวกชื่ออาทิตย์โคตชื่อสักยะโดยชาติอาตมาออกบวชจากสกุลนั้นแต่ก็ปรารถนาการก็หาไม่ได้ก็ว่าพระเจ้าปิมิสารพระเจ้าพิมิสารได้ชวนศึก ตรงก็แสดงสถานะที่จริงก็จะใช้กำลังมืองขึ้นก็ไม่เชิงนะฮะคือท่านใช้กับว่าดินแดนแห่งแคว้นกุนศลคือมีลักษณะคล้ายๆกับรัฐในอารักขาแต่ว่าเมื่อควังพระรจะดำหรัดพระดำหรัดของพระเจ้าปเสนพระเจ้าปเนที่กุศุลก็รับสั่งก่อนจะสวรรคตน่ น, นะฮะตอนนั้น ในธรรมเจตยสุก็กราบทูลพระพุทธเจ้าคือว่าสมมตินับญาตินะฮะนับญาติว่าพระพุทธองค์ก็เป็นชาวโกศลนะข้าพระองค์ก็เป็นชาวโกศลพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ข้าพระองค์ก็เป็นกษัตริย์พระพุทธเจ้าประชนบรรดาแปดสิบข้าพระองค์ก็บรรดาแปดสิบนี่เขาพูดในพูดไม่เท่าไหร่เขาที่วงโคตอนะ่ะ ถ้านับเวลาก็คงจะไม่น่าจะถึงสี่สิบแปดชั่วโมงเพราะว่าท่านรับสั่งตรงนั้นแล้วก็ถูกพระเจ้าวิทุทภะพระเจ้าวิทุทภะนะคือหลานชายของพันธุละยึดอำนาจร่วมกับพันธุละเพราะว่าพระเจ้าพิมิาพระเจ้าเปรตที่กุศลไปให้ทหารไปแอบฆ่าฆ่าลุงของเขา แล้วก็เป็นเวลานเวรที่จริงมันมันก็กลายเป็นบทเรียนแต่นั้นแล้วก็มีการรบทับจับศึกโดยเฉพาะอังคารกัมคดเนี่ยไม่ใช่อังคารมคดก็คือพวกกาสีโกศสนกับอังคารมคดเนี่ยรบกันบ่อยจนในที่สุดก็กลายมาเป็นอัตมิกันนะคือแลกน้องสาวกันทีนี้พวกพวกที่ปกครองแบบ สามัคคีธรรมเนี่ยบางครั้งก็เรียกว่าสาธารณรัฐนะรับบางครั้งก็เรียกสามัคคีธรรมแต่ก็ถ้าเรียกปัจจุบันเนี่ยเรียกให้ชัดก็คือพิจาณาธิปไตยก็เป็นราชวงศ์เป็นใหญ่แล้วก็มีการประชุมพวกเหล่นี้พระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปสอนเรื่องการการประชุมลักษณะของสภา เป็นอาวุธธรัดชั้นๆแต่ว่าไพเราะมากแล้วก็กระชับบอกว่าในที่ประชุมใดไม่มีสัตว์บุรุษคือแต่แปลทับไปเลยว่าสภาใดาไม่มีสัตว์บุรุษสภานั้นไม่ใช่ว่าสภาคนใดพูดไม่เป็นธรรมคนนั้นไม่ใช่ว่าสัตว์บุรุษเพรา ะ, ะ น, นัตว์บุรุษก็คือคนที่ละราคาโทสะโมหะได้นะฮะ นั้นพูดถึงสัตว์บุรุษที่สมบูรณ์แต่ก็ดลนหลั่นลงมาเพราะว่าเวลาทรงสแสดงสัพพิสธรรมเนี่ยบางทีมันก็สามัญชนทั่วไปนี่แหละเราเราท่านๆ่าเนี่ยก็สามารถจะเป็นสัตว์บุรุษได้ระดับหนึง่งเพราะสัตวบุรุษก็เปลยแปลวงวัสนงอบบาปนะคือสงบจากบาปหรืออาจจะปแปลว่าเป็นคนดีก็ได้แล้วการปกครองเหล่านี้มันก็ในสุดมันก็มีขยายอยาณาเขตอย่างสมมุติอวัชีเนี่ย วชีนี่มันเริ่มเป็นพวกฤทิ์ชวีและชวีเป็นเป็นเผ่าที่ก้อนแปลกก็ผิวย่นก็บอกว่าตอนเกิดมาเนี่ยมันเหมือนก็บชิดเนื้อตอนตอนปสมเม่าบงเด็กก็เกิดมาเนี่ยแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วต่อมาก็ผ่านการคล้ายๆกับเรื่องนางสีดานะฮะตำ น, นานแล้วมันก็ใกล้ๆัแล้วก็เสร็จแล้วก็จับคู่แต่งงานกันก็ขยายเผพันธุ์ไปเลยต้องขยายเมืองขยาย อาณาเขตออกไปเรื่อยๆขยายกำแพงเมืองถึงเจ็ดครั้งด้วยกันกลายเป็นสกุลที่แตกกิ่งก้านสาขาไปก็แสดงว่ามัน ผ, านผ่านมาเป็นหลายร้อยปีนะฮะหลายร้อยปีอาจจะหลายพันปีจะทำไปเพราะว่าการที่ว่ากลายเป็นราชสกุลจนถึงอะไรเขาเรียกว่าเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสกุลก็เยอะ ทีนี้นึกดูว่าสกุลแต่ละสะกุลเนี่ยมีคนอยู่เท่าไหร่มันก็นับกันไปไม่หวัดไม่ไหวเหมือนกันก็บ้านเมืองก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็คือลักษณะทางทางการเมืองซึ่งก็นอกจากนั้นคือนอกจากชนบทหมาชนบทสิบกแควเนี่ยก็เรียจริก็เรียนสมัยพุทธวรนะ่ะท่องได้มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก คือวันท้องได้ง่ายฮะแต่ว่าต้องไปว่าตามเสียงเขาอังคะมัคภะกาสีโกศลวชีมันละเจตีวังสกุรุปัญจาละมัจจสุรเสนะอัศกะาวันตีคันธาระกัมโพชะก็เป็นแฝนย่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะนองก็สิบหกแฝนี่ก็ถือว่าร่วมใน มันอยู่ช่วงกลางของสมปูทวีปแล้วก็ท่านก็บอกทิศ ท, ทางนะฮะทิศปุรภาภายในแต่มหาสานมาสานนครเข้ามาทิศ ท, ทักษิณภายในภูเขาศุีรัชชะเข้ามาทิศประจิมภายในถูนนาคราเข้ามาทิศอุดรภายในอะไรนะ่ะภูเขาภูเขาเหมือนกันก็กําหนดเป็นเขตนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจันชนบุตรเพราะเราเชนนื่ว่าลงใต้มันก็แถบ แต่เพื่อปภูเขาวีนไยแล้วก็เลยไปก็นั่นแหละอย่างพวกปัจจุบันที่เทียนผลอาการนิสถานะอะไรตไรเนี่ยปากีปา ก, ก, ปา ก, กีสถานบางส่วนก็ถือว่าเป็นปัจจานชนบนแต่ก็ารุปว่าวเป็นเป็นชมพูทวีทเปเพียงแต่แสดงให้เห็นใ น, นธรรมชาติของสัตว์โลกอย่างหนึ่งนะเราจะเห็นว่ามันมีความแบ่งแยก โดยธรรมะก็คืออัตราตัวตนนะแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เกาะกลุ่มกันในพวกของเราเพื่อต่อสู้กับเขาใน้ี่สุดก็มีการต่อสู้กันมีการต่อสู้มีการดิแย่งกันแล้วก็ต้องการจะประสานประโยชน์และทำยังไงะวิธีไม่เคยซ้านะออไม่ใช่วิธีไม่เคยเปลี่ยนเราเห็นว่าประสานประโยชน์กันด้วยการแต่งงานบ้างนะฮะด้วยการเฉลีย่ยทางเศรษฐกิจ แบ่งปันทรัพย์สินเงินทองกันบ้างแล้บางทีก็ควบกันทั้งสองอย่างบางครั้งก็ไปสร้างความผูกพันกันในด้านทางสังคมนะเช่นว่าเอาคนนั้นเป็นสายคนนั้นคนนั้นเป็นสายคนนั้นก็มีการเป็นเกลือเป็นสหายกันแบบที่เรียกว่าทิฏฐาอุพาสาห์คือสหายที่ไม่เคยพบเห็นกันมาเลยก็วิธีสร้างเชื่อมโยงตนเองกับคนอื่นให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน รบกันไปรบกันมาไม่ชับจะยุ่งนะฮะจะเห็นว่าก็มีเช่นว่าเอาให้ลูกสาวกันเรียกว่าให้แต่งงานกันหรือบางทีอย่างเนี้ยอย่างอังคะกับมคตกาสีกับโกศลเนี่ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเสร็จแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าปร ะ, ปร ะ, ประสิ์เนีโกศลก็แลกน้องสาวกันแลกน้องสาวกันก็มาถึงยุคหลานเจ้าชาติตรูก็ก่อกวนอีกเจ้าปร ะ, ปร ะ, ประสิเนีโกศลก็ต่าปรับ จับตัวได้มาอบรมจะพักหนึ่งแล้วก็ให้แต่งงานกับลูกสาวแล้วก็มอบดินแดนซึ่งเป็นพ่อเคยให้เป็นของขวัญแก่น้องสาวก็หรือก็อยู่กันมาได้อย่างเงี้ยมันก็แนวพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยถ้าเราศึกษาดูให้ดีเรียนจาอินเดียอินเดียมันเรียนได้สารพัดนะมันเป็นอุอารยธรรมได้จริงๆคือหลักรัฐศาสตร์หลักอะไรอะไ ร, ต, รต่างมันจะมีอยู่ในสถานที่เหล่านั้น ต้องฟังทั้งหลายแต่หลวพระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองามไปบูรณนธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัว ก, กันสวัสดี